ที่ปลอดภัยแล้วก็ผาสุขจะโดยงอกงามเนี่ยก็คือชีวิตที่เดินอยู่บนทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรนะชาวพุทธเราก็คุ้นเคยนะกับคำนี้แลที่เข้าใจกันส่วนใหญ่คือว่าชีวิตที่ไม่ได้ไปหมกบุน ปนเปื้นตนด้วยกามเรียวกว่ากามสุขาริกการุโยคหรือชีวิตที่ไม่ได้ไปมุ่งทรมานตนอัตตากิลมัฐานุโยคเวลาพูดถึงอัตตากิลมัฐานุโยกเร า, ก, รา ก, ก็นึกถึงภาพของฤาษีชีไพรนะที่ทรมานตนให้ลําบากซึ่งก็มีหลายวิธีมากอดข้าวยืน ขาเดียวบ้างหรือว่าฝังตัวอยู่ในดินหรือนอนอยู่บนตะปูเนี่ยจริงๆเนี่ยทางสายกลางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นหลักของการดำเนินชีวิตอย่างเดียวนะแต่จะเป็นหลักของการรักษาใจด้วยนอกกาก การดำเนินชีวิต อ, อยู่บนทางสายกลางแล้วเนี่ยการรักษาใจของเราให้อยู่บนทางสายกลางนี่ก็สำคัญเหมือนกันมันเป็นทางสายกลางที่ละเอียดลงไปอัตรา ก, กิลมิทานิโยอหรือการสังหราริการนิยอนี่ก็ยังยังยากอยู่แล้วก็ชาวพุทธจำนวนมากก็ไม่ได้คล้องแวะกับ ทางสองสายนี้ซึ่งเรยียกว่าทางสุดตรงแต่ถึงแม้ชีวิตเนี่ยจะไม่ได้ไปคล้องแวะกับทางสุดตรงแต่ในระดับของจิตใจก็อาจจะไม่ได้อยู่บนทางสายกลางก็ได้นะแต่ว่าไปคล้องแวะหรือเวียงจมอยู่กับทางสุดตรงสองทางเช่นเวลามีความสุข ไม่ว่าสุขจากการเสพสุขจากการได้ได้โชคได้ลาภหรือว่าได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือว่าได้รับสิ่งที่ปรารถนารวมทั้งการที่ได้เสพสิ่งที่น่าพึงพอใจก็เพลินในความสุขนั้นเพลินในสุขนะ จนเรียกว่าลืมตัวอันนี้ก็เรียกว่ า, มวนนวาไม่ได้อยู่บนทางสายกลางจดเรียกว่าเป็นการสุขหรือการนิยมอีกอย่างหนึ่งก็ได้ขั้นเวลาทุกขนะ์ก็จมอยู่ในทุกข์อาจจะเป็น ทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะโศกทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะวิตกกังวลหรือวาอ่าห่อเหี่ยวคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละเวลามีสุขก็เพลินในสุขจนลืมเนื้อลืมตัวเวลาเจอทุกข์ก็ดิ่งดำลงไปเห็นในทุกข์เวลา ดำดิ่งไปในทุกเนี่ยนะเช่นความโกรธเนี่ยนะก็เอาแต่นึกคิดถึงถ้อยคาการกระทาที่ทำให้เราโกรธยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากโกรธหนึ่งก็เป็นโกรธสองโกรธสโกรธสี่โกรธสิหรือเวลาเศร้าเนี่ยก็ อาจจะเศร้าเพรา ะ, ะสูญเสียของรักคนรักแต่ก็พยายามที่จะจมดิ่งในความเศร้ามากขึ้นไปกุดคุยอะไรสารพัดเพื่อทำให้ตัวเองเศร้าหนักขึ้นเพราะว่าความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีหอต้องความน้อเนื้อต่ำใจเนี่ยมันก็มีรสชาบยิ่ง ยิ่งจมดิ่งลงไปในความโศกความเศร้าในความโกรธมันก็ยิ่งหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ก็เรียกว่าพลัดลงไปนะสู่ทางสุดตองแนละ้วแม้ว่าตัวอยู่วัดหรือว่าลุงขาห่มขาวหม่หมจีวร เป็นพระเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนทางสายกลางนะแล้วคนเราสว่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละเวลาเจอสุกก็เพลินในสุกหัวเลาะเสียงดังแต่เวลาโศกเศร้า ก, ก็ร้องไห้เสียงดังแล้วก็เป็นธรรมดานะหัวเลาะเสียงดังเท่าไหรนะ่น เวลาร้องไห้มันก็เสียงดังเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่าใจเนี่ยไม่ได้อยู่บนทางสายกลางแลวเวลาเรากินอาหารอร่อยเนี่ยโอ้เราก็ปล่อยใจดื่มด่ำในรสชาติที่อ ร, อร่อยเวลาดูหนังสนุกสนานก็ปล่อยใจมันจมอยู่ในความสนุกสนานแต่เวลาเจอข่าวร้าย ก็ดำดิง่งยงไปในความทุกข์ความโศกความเศร้าหรือความโกรธนี่คื อ, อทางสุดโตงที่ผู้คนมักจากพลัดตกหรือห่องแวะหรือถึงแม้จะไม่มีความสุขหรือเจอความทุกข์แต่ว่า สิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือว่าเวลามีกิเลสก็ปล่อยใจลอยไปตามกิเลส ข, ขัานจะมาฝึกฝนตนก็กลายเป็นว่าไปกดข่มกิเลสนี่ก็ไม่ใช่ทางสายกลางนะปล่อยใจลอยไปตามกิเลส หรือว่ากดข่มกิเลสก็ดูมันดีนะการกดข่มแต่ว่ากิเลสเนี่ยพอมันถูกกดข่มมากๆเข้ามันก็ตีกลับเมื่อความโกรธนี่ที่เราไปกดข่มมันอาจจะหลบอาจจะหายไปชั่วคราวแต่แล้วพอมันถูกอัดแน่นๆเข้ามันก็ระเบิดอันนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีอาการปริแตกนะ คนที่มีการปริแต่เนี่ยอาจจะโดนกระทบด้วยเรื่องที่ไม่ได้รุนแรงอาจจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของใครบางคนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายแต่ว่าเนื่องจากมันถูกเก็บกดเอาไว้มากเพราะการกดข่มความโกรธ ถึงเวลามันระเบิดองามาก็ก็มีการปริแตกอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการหรือท่าทีที่ที่ถูกต้องนะเวลาจะรับมือจัดการกิเลสมันได้ผลชั่วคราวแต่ว่าก่อปัญหาในระยะยาวคนที่พยายามอดเล่าด้วยการกดข่มความอยาก ก็ทำได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเช่นช่วงเข้าพรรษามันอยากเล่านะกดมันเอาไว้หอเขา่บอกงดเล่าเข้าพรรษาแต่พอออกพรรษานี่ไม่ทันจะข้ามวันเลยนะกินเล่ากันอย่างเรียกว่า เมามายจนไม่เป็นผู้เป็นคนเ่ยอันนี้ก็ความความอยากที่มันที่มันถูกเก็บกดเอาไว้นี่มันระเบิดออกมาจนเจ้าตัวคุมไม่อยู่แต่ที่จะกินเหล้าโดนเหล้ากินนะจนบางทีก็เกิดเหตุร้ายเพราะว่าคุมตัวไม่อยู่ แล้วก็มักจะปล่อยใจไปในทางสุดตรงอย่าในลักษณะเนี่ยเวียงไปเวียงมาเวลามีความคิดก็ปล่อยใจลอยไปตามความคิดที่เรียกว่าเผลอปล่อยใจเผลอปล่อยใจลอยแต่คันจะมาปฏิบัติธรรมก็ทําตรงข้ามนั่นคือเพ่งคอยเพ่ง คอยบังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับมืออยู่กับเท้าบ้างหรือคอยบังคับจิตไม่คิดน้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะเวลาปล่อยก็ปล่อยแบบเผลอไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวถึงเวลาก็มากลับมาเพ่ง ไม่ต้องเรียนรู้นในการที่จะรักษาใจให้บนทางสายกลางคือไม่เพ้อไม่เพ่งไม่ได้ปล่อยใจไหลไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ได้ไปอาจจะกดข่มมันไมทางสายกลางนี่คืออะไรคือรู้นะรู้ทันนะมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันไม่ไหลไปตามความคิด แล้วก็ไม่ได้ห้ามความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ผักสมันแล้วก็ไม่ไหลาตามมัน้ที่เรามาฝึกการเจริญสตินี่ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะรักษาใจายอยู่บนทางสายกลางนี้ได้ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่ง ไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามซึ่งจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะใจมันก็ต้องอยู่ตรงกลางๆนะอยู่ตรงกลางกลางนี่หมายความว่ายังไงนะหลวงพ่อมันเขีย น, นเ่าว่าเคยตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆของหลวงพ่อเทียนท่านก็ปฏิบัติอยู่ในกุติก็ปิดหน้าตา่างปิดประตู หลวงพ่อเขียนตอนนั้นเนี่ยท่านก็ชอบเรื่องการปฏิบัติแบบสมสถะอยากให้ใจมันสงบไม่มีสิ่งมารบ ก, กวนหลวงพ่เทียนก็มาหาที่กรดแล้วก็ถามว่าทําอะไรอยู่หลวงพ่อเขียนก็บอกว่ากำลังปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเห็นผมไหมไม่เห็นครับทําไมจึงจะเห็น ต้องเปิดประตูพอเปิดประตูหลวงก็เฉียงก็ะสาวาเห็นผมไหมเห็นเห็นข้างนอกไหมเห็นเห็นข้างในไหมข้างในคืข้างในห้องเห็นครับเออทําอย่างงั้นแหละแล้วท่านก็เดินจากไปห่องเฉียนก็นั่งคิดอยู่นานนะสุดท้ายเข้าใจนะหลวงพ่อเทียนมาเตือนว่าเนี่ยว่าอย่า เอาแต่เพ่งจิตเข้าในแล้วก็อย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกให้อยู่ตรงกลางๆนะคือเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในเห็นข้างในก็คือเห็นกายเห็นใจเวลากายทําอะไรก็รู้เวลาใจคิดอะไรก็รู้แต่ว่าข้างนอกก็เห็นนะ รับรู้ความเป็นไปของโลกภายนอกแต่ก็ไม่ได้ไปยึดติดหรือว่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกจนกระทั่งไม่รู้ว่าใจกำลังคิดนึกอะไรอยู่พอคนส่วนใหญ่ก็มักจะส่งจิตออกนอกนะแต่ไม่เห็นใจไม่รู้ใจของตัวว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไร หรือพาเวลามีอะไรมากระทบเช่นนะมีคนมาต่อว่าหรือมีคนมาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยจิตมันก็จะพุ่งไปที่คนคนนั้นด้วยความโกรธแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้นะว่าความโกรธนี่มันเกิดขึ้นในใจหรือมีความอยาก เห็นอาหารเห็นของที่มีเสน่ห์ก็อยากจะได้ที่แต่จะเอาบางทีก็เห็นของมีค่าอย่างอย่างคนจำนวมากเนี่ยเวลาเห็นเงินเห็นทองมีคนวางเอาไว้ไอความอยากได้เนี่ยมันทําให้คิดว่าเนี่ยจะเอายังไงจะจะขโมยยังไงจะเอามา อยู่ในครอบครองของเราได้อย่างไรแต่ไม่เห็นความโลภไม่เห็นความอยากที่มันเกิดขึ้นเวลาเจอรถติดเนี่ยจิตมันก็พุ่งนะแต่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่รถมันจะขยับสักทีเมื่อไหร่ไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสักทีจิตใจรุ่มร้อนเพราะเห็นแต่ข้างนอกแต่ว่าไม่เห็นข้างใน การที่คนจนไม่น้อยเนี่ยพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็เอาแต่มาเพ่งดูข้างในมาเพ่งดูจิตมาจ้องมองหรือบังคับจิตหรือว่าเพื่อบังคับให้จิตมันสงบแล้วก็เพลยในความสงบจมดิ่งในความสงบ อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันตอนหลังหลวงพ่อกำเขียนก็เลยบอกเนี่ยเวลาเจริญสติเนี่ยเวลาปฏิบัติทำความรู้สึกตัวเหมือนกับอยู่หน้าถ้าหรืออยู่ปากถ้ำเคือว่าเห็นทั้งข้า ง, างนอกข้างนอกถ้าแล้วก็เห็นข้างในถ้าไม่ใช่แต่อยู่ในถ้าแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ววเราต้องรู้จักวางจิตให้อยู่ ให้เป็นกลางๆหรืออยู่ตรงกลางตรงกลางเมื่ออยู่ตรงประตูมองเห็นทัวข้างนอกแล้วก็มองเห็นในห้องอันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยทำให้ใจมาอยู่ในอยู่บนทางสายกลางได้คือไม่เผลอไม่เพ่เพนแล้วก็ไม่ไหลไปตามกิเลสแล้วก็ไม่อาจจะกดข่มกิเลสครานี้นอกจากรักษาใจ ถ้ามีอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักนะฝึกจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบด้วยการฝึกจิตให้เป็นกลางเนี่ยต่อสิ่งต่างๆเนี่ยสคัญนะตอนที่เราทุกข์เนี่ยเพราะจิตเราไม่เป็นกลางที่เราเพลินในสุขเพราะว่าจิตมันเกิดความยินดีในสิ่งเสพ รวมทั้งในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในสิ่งเสพก็เช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะอันนี้เรียกว่าสิ่งรราภายนอกรวมทั้งอารมณ์ภายในนะเช่นความดีใจความสงบนะหรือความสุขเนี่ย พอมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตเราไม่เป็นกลางนะเกิดความยินดีเกิดความอยากมันก็ทําให้ลืมตัวหรือถ้าไม่ลืมตัวก็จะทําให้เกิดทุกตามมาเพราะถึงเวลาที่ความสงบมันหายถึงเวลาที่ความสุขมันดับไปก็จะเกิดความเสียใจเพลินในสุข แต่พอสี่งที่ทำให้สุขนั้นเนี่ยมันหายไปมันก็กลายเป็นความทุกข์เราสุขเพราะอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละถ้าว่าเราเพลินในสุขนั่นนี่เคยผลอย่างที่เราควรจะวางใจเป็นกลางนะต่อสิ่งที่น่ายินดีไม่ว่าอยู่ภายนอกหรืออารมณ์ที่น่ายินดีที่เกิดขึ้นภายในและเช่นเดียวกันนะพอมันเจอ ดูแกินเสียงที่ไม่น่าพอใจมากระทบเช่นเสียงดังอากาศร้อนถ้าใจเราเป็นกลางต่อสิ่งนั้นมันก็ไม่ทุกนะเรามักจะคิดว่าความทุกเกิดทันทีที่เสียงดังมากระทบหรือว่าเสียงต่อว่ามากระทบแต่ที่จริงแล้วเนี่ย มันยังไม่ทุกข์เมื่อเกิดการกระทบแต่ว่าทุกข์เมื่อเกิดการผักใสผักใสเสียงที่ได้ยินผักใสรูปที่เห็นเกิดความยิน้ายต่อสิ่งนั้นคือใจไม่เป็นกลางอย่างที่หลวงพ่อชายเคยพูดกับลูกศิษย์นะลูกศิษย์มา บอกว่าอย่างเสียงดนตรีมารบกวนการนั่งสมาธิของพระรโยมขอโทษ ด, ด้วยขอโทษหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยโยมไม่ใช่เสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหาที่ไปรบกวนเสียงดนตรีบายครั้งที่เราหงุดหงิดเนี่ยเพราใจมันไปทะเลาะกับเสียงดนตรีใจมันไปเกิดอาการต่อต้านผักใส ย, ยินร้ายต่อเสียงดนตรีถ้าใจเรา มีความเป็นกลางต่อสิ่งนั้นต่อเสียงก็ไม่ทุกข์นะไอความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์อกุศลก็เหมือนกันนะที่มันเมื่อมันเกิดขึ้นในใจอาจจะเป็นเพราะเราเผลอไปปล่อยให้มันปล่อยจิตปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งอารมณ์เกิดขึ้นแต่ถ้าใจเราเป็นกลางกับมันนะมันก็ไม่ทุกข์นะ ความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เป็นเพราะเรารู้สึกรบต่อความคิดฟุ้งซ่านต่างหากเป็นเพราะเราอยากให้มันหายเป็นเพราะเราปรารถนาความสงบแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางนะต่อความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ไม่ทุกข์อะไรแม้กระทั่งความโกรธหรือความโศกความเศร้าเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราแค่เห็นมันเฉยๆดูมัน หรือที่หลวงพ่อท่นช่ว่ารู้ซื่อความเครียดความโกรธความโศกความเศร้าเนี่ยแม้เกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราเห็นมันเห็นด้วยอาการรู้ซื่ อ, อรู้เฉยเฉยหรือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะหรือผู้ใหญ่ี็คือมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว้าใจเราไปผลักใสมัน ผักสายอารมณ์เหล่านั้นไปโรมรันพันตัวกับอารมณ์เหล่านั้นคือไม่ได้รู้สื่ อ, อไม่ได้เป็นกลางกับสิ่งนั้ น, นก็เลยเป็นทุกข์ใจยิ่งผักสก็ยิ่งถ้ากราเปิดช่องให้มันมารบกวนรังควานครอบครองจิตใจเราเป็นอย่างเงี้ยนะธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยถ้าเราไปผักสายมันก็ยิ่งให้อำนาจกับมัน แ HAM ได้กลับมาในการครอบงำบงการจิตใจของเราทำให้เกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าใจเป็นกลางอารมณ์พวกนั้นก็ทำลายใจของเราไม่ได้ที่ใจเราเป็นกลางได้เพราะอะเพราะมีสติสติก็เป็นจึงเป็นเหมือนกับยามที่รักษาใจไม่ให้ศัตรู หรืออารมณ์กับอกุศลหรือทั้งความทุกข์เข้ามาครอบงาทำร้ายจิตใจเราได้ถ้าไม่ไปไปลมลันพันตูผักใสอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีอำนาจเหนือใจเราเการวางใจเป็นกลางเนี่ยต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกคือรู้รสกินเสียงสัมผัสหรืออารมณ์ภายในที่เรียกว่าธรรมารมเนี่ยไ ม, ม่สิ่งจำเป็นมาก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยพอเรามีสติมีความรู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวจะทำให้การรักษาใจให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆรวมทั้งให้อยู่ตรงกลางๆระหว่างนอกกับในเนี่ยมันจึงเป็นไปได้และช่วยทําให้ใจอยู่บนทางสายกลางได้ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะไม่ไหลไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ไป ต่อสู้ภาักษาเกล็ดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะมันเชื่อมโยงกันโดยมีสติร้อยสิบตัวเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยงั้นการจดจ่สติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะสำหรับการที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยอยู่บนทางสายกลางแล้วพอใจราอยู่บนทางสายกลางแล้วการมีชีวิตที่ดำเดินบนทางสายกลางก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นเองอย่างยั่งยืน วันการจรุลสติจึงเป็นหัวใจสำคัญนะของการดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง